เสียงนะฟังทากันอพูดกับทุกท่านทุกรูปทุกนามชีวิตเราเหมือนกันเรื่องรูปนามถ้ามีกายมีใจเป็นภาษาตุนต้นตุก้อนกอนเป็นภาษาที่หลงเลง่ายถ้าพูดถึงว่ารูปนาม มันไม่ค่อยหลงแล้วก็เหมือนเงินหมดเป็นสามันลักษณะในความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนมันคมหัวเราไว้แล้วในความไม่เที่ยงของบางคนในความเป็นทุกข์ในควไม่ใช่ตัวตนบางทีเราก็มาเป็นทุกข์ บางคนก็ถ้าเห็นลูกนามแล้วไม่ออกมาเป็นทุกข์จิงที่สอนให้รู้ใครก็รู้แต่สอนให้เป็นเนี่ต้องสอนตัวเองเช่คาคนจนเงือแต่คิดอยู่มันก็ใช่ไม่ได้ต้ามีความขยันมีความอดทนมีความเพียร ประกอบอาชีพการงานได้ไปชิดว่าจนว่ารวยอยู่มันไม่สำเร็จปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเมื่อแต่เอาความรู้ไปเกี่ยวข้องกับการกระทำเหตุผลต่างๆต่างทีมันก็น่าอิาเกิดอะไรได้หลายอย่างเช่นทำงาน มันก็มีเหนื่อยเมื่อยล้าแขงเดดแลองผลเอาเหตุเอาผลกับควงในหนื่อยเวล้าเอาแขงเดดเอาแลองผลมาเป็นโคไม่เกียนเป็นเจินชี้วัดเพื่อให้เราอเอาเหตุเอาผลนั้นมันก็ไม่ถูกต้องดังนั้นการทํางานต้องมีหลายอย่ า, ยยางที่จะทําให้สําเร็จ การทำความเพียนก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันใครๆก็มีปัญหาเหมือนกันให้แต่พระพุทธเจา้าสามัญอย่างเป็นถีรษะก็ยังก็เหมือนกันกับเราขึ่นคําสอนคำว่าองมาพร้อมกันกับการตัดสู้ก็เห็นทำเห็นทำจึงทําให้เป็นพระพุทธเจา้า <c oughs> เห็นอะไรต่างๆ อยู่ในรูปในนามนี้ต้อมทัพบธรรมอันเป็นเครื่องทรงแสดงเครื่องออกจากทุกมาพร้อมกันเห็นเรื่องนี้ก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเห็นรูปเห็นนามมีสติมันก็เห็นความหลงมันต้องเห็นแน่นอน แต่ถ้าไปคิดว่าหลงมันไม่ดีรู้มันดีมัวแต่เห็นผลถ้ามันหลงก็ไม่ดีถ้ามันรู้ก็ดีมัวแต่ดีไม่ดีอยู่มัวแต่ผิดจะถูกอยู่มัวแต่ด้วยได้มัวแต่เสียอยู่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่จําเป็นเวลาสร้างสติบ้านไหนไม่เหมือนกับธรรมนอื่น อะไรก็ตามให้รู้สึกตัวมเป็นหลักอยู่นี่หลักมันมีอยู่นี่ความรู้สึกตัวนี่ก็ยังไม่เจ๋งก็อาศัยนิมิตตัวกายแต่มื่ก่อนพระองค์เอากายเป็นที่ตั้งเอากายเป็นนิมิตที่ว่าสูตร โชดปฏิบัติธรรมสสติปฐานโชดทางจะเดินไปข้างหน้ามีกายเป็นที่ตัง้งเป็นตำลาเป็นนิมิตเกาะไว้ก่อนมันก็ช่วยได้เคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวกายก็อยู่ที่นี่การเคลื่อนไหวก็อยู่ที่นี่ให้มันอยู่ด้วยกันเอามาประกอบทั้นเกิดขึ้น เมื่อแต่ยึดว่าสติความเลือกได้อยู่ไม่มีการประกอบมันก็เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานมันไม่มีที่ตั้งมันก็หลุดไปเรื่อยถ้ามีที่ตั้งมันก็ติดใครๆก็มีสติสัตว์เดีฉันก็มีสติคนพู้ร้อยก็มีสติเหมือนกัน ทำความชั่วสำเร็จเพราะมีสติเหมือนกันวางแผนได้ดีไปพ้นไปขี้จนจบไม่ได้เขาก็มีหัวคิดเช่นโจรผู้ร้อยก่อความไม่สงบในภาคใต้เวลานี้ล้วก็วางแผนไปเรื่อยเอาชนะ เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเมื่อไม่นานมานี้มันก็มีสติมันก็คิดหวางแผนทำท่าลืมจั ก, กรยานไว้ข้างทางตารวจทหารไปเห็นจั ก, กรยานจอดอยู่ก็ปรปยกจั ก, กรยานขึ้นรถ มันก็วางระ้วเบอร์จุเจนั่นหน่อยแต่ทหารตำรวจตายไปสองคนเจ็บอีกหลายคนเหมือนกันมันมีสติไหมมันก็มีหมือนกันวางแขนได้สําเร็จอันนี้เราว่ามันก็ฉลาดอันควาชั่วเนี่ยคนชั่วอันความโกรธความโลภความหลงมันไม่ฉลาดปานนั้น มันเกิดขึ้นเื่อเสื่อโง่ๆงความหลงก็เกิดขึ้นโง่โในตัวเราเองไม่มีวัตถุอะไรถ้าเราไม่มีสติเราก็รูปศึกไว้ให้มันเป็นฐานตกตนสอนตนให้มันรูปเป็นให้มันรูปมากให้หลวงรูปเป็นเจ้าเรือนเจ้าของกายเจ้าของใจเป็นเจ้าของรูปทํานามธรรมในานี้ กลับมาอย่าแปลเหตุแล้วผลเวลามันรู้ก็รู้ไปทำหลงก็รู้ไปในความรู้ถ้ามันรู้จริงๆไม่มีอะไรขวางกั้นได้แต่ในความหลงกี่เรื่องกี่เล่าความรู้สึกตัว <c oughs> สามารถที่จะไปเฉลยได้ใช่ใหมมากยิ่งใช่ยิ่งมาก ลานท่านว่าลักยาวให้บัน่นลักสั้นให้ต่อต่อความรู้ไว้ความหลงกสลง็สั้นลงสั้นลงถ้าต่อความหลงความรู้ก็สั้นลงสั้นลงมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงไม่มีถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีบางอย่างก็ตรงกันข้าม มันอยู่ที่เราจะเอาไปวัตถุจะไปเอาวัตถุมาเป็นเกณฑ์ชีวัดปฏิบัติธรรมมันประคดทั้งกายทั้งใจทั้งรูปวัตธรรมทั้งนมามวัตธรรมไปพร้อมกันจีวิตเรามองก็มีสองส่วนอย่างนี้มีรูปปัตธรรมคือร่างกายนี้เป็นต้นเป็นก้อนประกอบปด้วยธาตุสี นามธรรมมันไม่เป็นรุ่นกัก้อนล้วก็มีความรู้เลยได้ น, นามธรรมน่ะหอบหิ้วรูปนี้ไปจากความดีเอารูปไปทำชั่วได้นามธรรมมันก็มีอำนาจเพราะนั่นเร า, เราก็รู้อันอันใชเวลาเรารู้สึกตัวก็เป็นนามธรรมอันเคลื่อนไหวอยู่นี่เป็นรูปธรรม เัรู้จึกตัวเป็นนามธรรมามันจับทั้งสองมาเป็นพวงถ้าหลงก็จับไปเป็นพวงเหมือนกันถ้าแต่อะไรจะเป็นเจ้าของถ้าคบหลงเป็นเจ้าของเอาลูปไปเอาน้ำไปทมความชั่วได้สำเร็จออกผิวไปได้ทาความชั่วได้นาย ถ้ามันมีอํานาจมากถ้า ม, ามีนามธรรมในความรู้สึกตัวตักขาดฉันทําให้มันเข้มแข็งมันก็หอบพิวไปไม่ค่อยได้เราจึงมาฝึกมาใช่มารู้ฝึกให้มันรู้ฝึกให้มันเป็นถ้ามันหลงรู้เป็นแล้ว ที่เลียกกอาศัยนิมิตอาศัยกายเคลื่อนไหวถ้าเป็นแล้วมันต้องอาศัยอะไรในตัวมันเองในความหลงก็มีความรู้เพราะเคยเคยทำมาแล้วในความทุกข์ความโกรธเกลียดตัณหามันก็มีความรู้เคยฝึกมาแล้วนี่ไม่ต้องอาศัยวัดรูปวัตถมาก็ได้ ที่เวลาเราจะตายมาสร้างจังหวะได้หรือจะมาเดินจง ก, กรมได้หรือถ้ามาเปิกตอนจะตายมันก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้แม่ยังไม่ตายถ้ายังไม่เคยฝึกทั้งด้านด้วยความหลงมันก็ทําไม่ค่อยได้เคยไปสอนคนมีอายุเศรษฐีบางเขนเนี่ย เวลาะสอนถ้าว่าให้ยกมือสร้างจาังหวะมันก็เอามือไปคั้กระท่ามามาเอามือสาวลงไปกระท่ามาแล้พูดเรื่องอื่นไปนอนเราบอกให้รู้ที่แม่รู้นี้เอามือวางไว้นี่แปบ๊บเดียวมันหลงไปจับโน่นจับนี่พูดออกปลอยนั่งพูดอยู่เป็นยี่สิบสามสิบนาทีไม่รู้เรื่องกันเลย ความหลงมันมากความหลงเจ้าของรูปจเปนเจ้าของนามมันก็รูปอะไรไปถามอันที่ไม่จําเป็นบอกใหม้มือบางไว้นี้มันก็รูปไปจับตะกร้าหมากมาวางไว้บนตากสาวล้วก็พูดไปกันสร้างพระประธานใหญ่ที่สุดในโลกหมดไปแล้วสิบล้านยังไม่เสร็จเลยเจ้าว่าก็มาเอาเงินไปที่ละแสนสองแสนว่าจะเสร็จก็ยังไม่เสร็ จ, จเลย <c oughs> น ก, ก็เลยไปทางน้นซ้ามันเคยไหลเห็นไหมเห็นตัวเองไหลไหมนอนอยู่ผมก็ไหลไปหาลูกหาหลานไหลไปไม่หยุดไม่อยัางเลยเรยจังหะมีสติมันก็ว่าหยุดๆๆไม่ใช่หยุดไม่เดินไม่ทํางาน ถ้รู้สึกตัวของประโยุน์แล้วมันเหลือแต่ความรู้สึกตัวอันที่มาทีหลังไม่มีแงสันทำอะไรอยู่นี่มันเป็นทั้งรูปทั้งนามเนี่ยแล้วก็ทําอยู่นี้มันก็มากันหมดแล้วก็รูปไปนานๆมันก็มีหลักอยู่นี้อย่าแปลวาเหตุแล้ผลใครๆก็มีความรู้เหมือนกันหมดกันแหละไม่ใช่โงงอดอก เ่เวามร้อนต้องอาบน้ำหนาวห่มผ้าหิ ว, หวก็กินข้าวเหมือนเด็กแล้วเด็กก็หิวข้าวหิวข้าวใหบอกพ่อบอกแม่ทันทีแม่ก็รีบเป่าไฟเพื่อจะเร่งไฟให้หุงข้าวให้หนึ่งข้าวสุกง่ยแม่ก็เป่าไฟเผากองไฟเผาหม้อนึ่งนึ่งข้าวอยู่ ลูกก็ไปร้องหิวข้าวหิวข้าวแต่สิ่งที่มันหิวแค่หิวได้แม่ต้องรีบนึ่งข้าวให้มันสุกอื่นแต่ดึกเพื่อลูกจะตื่นขึ้นมาจะกินข้าวอันนี้เขาทำมานอนแล้วสลังี้เจอลูกหิวข้าวเอาเข้าวมาป้อนเลยถ้าไม่มีข้าวป้อ น, นก็ร้องให้อยู่นั่นแหละ บางทีแม่กำลังสวยข้าวอยู่ลูกก็ไปหิวข้าวหิวข้าวนั่งเฝ้าอยู่มันได้กินกิ่นข้าวมันก็เกิดความหิวแต่ไม่กว่านะข้าวมันหอมพอได้กินข้าวแล้วก็หิวทันทีละทุกมันในข้าวไม่หอมไม่รสไม่มีไม่ค่อยมีรสชาติทาไมข้าวจะไม่หอมเพราะมัน มันปรับปรุงพันเุ์้อชนกลายพันธไปจนไม่มีคุณภาพไปก่อนเข้าหอมหวานอร่อยทุกวันนี่ไม่มีรสอะไรเพราะมันกลายพันธถ้ามันปรุงแต่งมากชีวิตเราก็เหมือนกันได้ปรุงให้สุกให้ทุก มันอยู่ตรงกลางมันก็มีรสชาตินะเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เนี่ยเห็นมันรู้เห็นมันหลงเนี่ยตรงกลางกลางเนี่ยมันเป็นรสที่เป็นรสเดียวความรู้สึกตัวนะความทุกข์ก็เป็นรสหรือความสุขก็เป็นทุกข์รสหนึ่งแต่ภาวะที่เห็นสุขเห็นทุกข์เนี่ยมันเป็นรสเดียวสุขไม่ใช่สุขทุกข์ไม่ใช่ทุกข์มันเป็นการเห็นเข้าไปในนี่ย ลดพฤติธรรย่อมชนรุดทั้งปวงสัพพะละสังธรร ม, มละโสขินาติลดพฤติธรรย่อมชะนะลทั้งปวงคืออันนี้ให้พากันจินลงไปให้รู้ลงไปเห็นลงไปให้รู้อยู่เวลามันหลงรู้อยู่อย่าให้ความหลงมีรสชาติบอกแล้วบอกอีกอยู่นี่ได้ยินไหมอย่าให้ข้าความสุข ความสุขกงมีลดความทุกข์ก็มีลดความรักความชังก็มีลดความยากความง่ายก็มีลดมันก็เลยมีลดชาติไปนอนซะก็ติดลดกันตาหูจมูกเิ่นกายใจก็เป็นวัตถุที่ทําให้เกิดลดลบลดเฉียงปฎปะอารมเป็นเหตุที่ทําให้เกิดลดมีค่ามีราคาเราก็หลงกันติดลดเป็นงอมแงมสัตว์โลกเนี่ย เพราะนั่นตัวภาวะที่รู้เนี่ยมันเป็นภาวะเหมือนคนการไปติดรถมีสุขมีทุกข์เหมือนวิ่งการรู้สึกตัวเหมือนจุดวิ่งแม้มันจะมีคนวิ่งแต่เราขี่คอมันขี่คอคนที่วิ่งแข่งมันมันวิ่งแต่เรานั่งอยู่บนคอ ม, นมันวิ่งไปถึงไหนเราก็ถึงนั่นสติเหมือนเป็นอย่างนั่นแล้ว มันทุกข์ฉี่คอของทุกข์มันโกรธฉี่คอของโกรธมันหลงฉี่คอของหลงเหมือนคนขี่เสือเห็นไหมอยู่หน้าวัดเห็นไหมถ้าเห็นแล้วไม่เป็นเหมือนคนขี่เสือเสือมันไล่ขนาดไหนแต่ขี่หลังมันได้ปากเจ้าโว่เลยไม่มีอะไรเลยนี่ชีตังเมนชนะ จะนืะ้ตัวเองเนี่ยมีไหมแพ้ตัวเองมีไหมมันหลงก็แพ้หรือแค่ความหลงเฉยมันโกรธก็แพ้หรือชอบความโกรธเฉยไม่มีค่าอะไรความโกรธมันมีค่าแต่เราไม่รู้เราจึงขยันให้ประกอบความรู้ทึกตัวนี่เป็นที่ตั้งการขยันนี่หรือว่าภาวนา ภาวนาคือมาสร้างยกมือรูยกมือรูสิบสี่จังแบบิบสี่รูเข้าไปภาวนาเข้าไปนี่หลักมันอยู่นี่อย่ยาเอาความรู้อย่าเอาความยากความง่ายมานาประกอบให้มีความรู้เรื่อยไปใครใครก็อยู่ตรงนี้อหะจะเป็นคนรู้หนังสือเดือไม่รู้หนังสือจะเป็นปริญญาหรืออะไรก็ตามมันก็ทําคอไก่ตรงนี้กันทั้งนั้น ไม่ใช่จะเอาวุทธิภาวะมาอวดหน้าเราเจแล้ ว, ลวหนุ่มแล้วสาวเรอลู้อะไรต่างๆง่ายแค่เหลยมันก็อันเดียวตอนนี้คือภาวะที่รู้สึกตัวเลยไปมันจึงเป็นอันเดียวธรรมะที่แท้เป็นอย่างเดียวกันเรียกว่าสัจจะขวาเป็นจริงถ้าจะเอาภาวะอื่นมาขวงกันมันก็ต่างกันไป ไม่เป็นสาคุลไม่เป็นสามันลักษณะมันต้องเป็นอันเดียวกันทีที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกันพวกเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมาจากทิศไหนทานใดเพศใดภาวะใดระดีใดนิ่งใจอะเหมือนกันหมดมีรู้มีดามีมสติมีความรู้มีความหลงมีความโกรธความโลภมีสุขมีทุกข์มีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันหมด เราจะเาเหตุเอผลมาขี้แยว่าต่างกันอยู่มีอกอซึมสำคัญว่าตนสคัญว่าคนอื่นมนอยผมขวังผมโยอมมืงกยิ่งใหญ่อาชนะควโกรธด้วยโกรธอชนะความหลงด้วยความหลงมหลงก จะทำให้ความหลงหมดไปจินเล่าหิวเล่าก็ต้องหาจิตเล่าจนได้เรื่อยๆกูเล้ากูดีเวลาติดบุหรีเวลามม่หิวบุหรีกูจะสูบกูจะสูกได้เงินรจะน้มาซื้อยาสูบไงไปรับจ้างเสร็ล้วได้จากสิบบาทพอหยาจากซองนึงแต่ก่อนจองร้อยสบาท องสสิบส um, ี autres, ่สิบบาทจนให้ความหลงได้สําเร็จแยกความหลงด้วยความหลงเราโกรธว่าเราโกรธตอบื่อความโกรธด้วยความโกรธอันนั้นมันไม่สุดต่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่สรรเสริญเรื่องนั้นชนะความหลงด้วยความไม่หลงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ ฉันเาความตันนี้ด้วยกันไม่จะนันเลยตะละดขีดคอมันเกิดอยู่ที่ไหะที่รูปที่น้ําเนี่ยไม่ใช่เกิดอยู่ที่ไหนไม่ได้มุดมาในดำดินมาไม่หงอเดินฟ้ามาอยู่ที่รูปในน้าเนี่ยถ้าจะเป็นกิเลสตัณหา อยู่กับเราสามัยก่อนกิเลสตระหนากก็อยู่พระพุทธเจ้าอนเดียวกันสมัยที่ยังไม่เป็นพุทธเจ้าห่วงมีเหมือนกันสีตระก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อลาหุนมีเอัคะอ า, าะมาเหยยสีพิมพามีทรัพย์สินสะดึงคานมาไม่มีอะไรที่ ที่ที่ที่บวกค้องชาติภูมิอาไต่างๆไม่หมดแต่ทำไมจึงมาบอกให้เราสอนให้เรากยายรสาสัปราสสติปัฏฐานมีสติเห็นกายโตเล่าจะบอกว่าต้องเป็นกรรษัตริย์นะจึงจะทำาได้ไม่ใช่เลยต้องมีหัสวินฉีมาขาวมีนายฉันทะพาไปบวชมี มากันนะกขี่ออกไปตั้งแต่กรุงกบิลพัทถึงโูโน่นเกือบกูเขาตรงคลัสลิข้างใกล้ๆเราจะกึ้ไปนอนมันไม่ใช่เรื่องใกล้แต่มาผีเท่าปรดีก็วิ่งมาถึงเพื่อให้ใครตามทันเราก็ไม่มีมากันแต่กนน ะ, ะเดินมาขี่รถมา แต่แล้วก็คือกายคือใจมีสติเห็นกายมีสติเห็นเวทนาเอามีสติเห็นจิตมีสติเห็นธรรมเรเนี้อ่ไม่ใช่เอ า, เอาพกขันหรือเอามากนันนะกะเป็นทักที่จะต้องต่อสู้กัสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เลยเดินอยู่บนดินไปเห็นธรรม โดงคัซซิลีมันก็เป็นถ้าเล็กๆที่ไปฝึกอยู่นั่นลอนตาเคยไปดูเป็นภูเขาข้างแม่น้ํำในรันชลาแต่รันชึกลงมาถึงพุทธกยาเนี่ยก็เป็นพืชดินมีภูเขามีป่าไม้นี่แม่น้ำแม่น้าก็ไหลยอยู่เช่นลัมบะารรมก็ไหลยอยู่แบบนี้แต่แถวนี้ในรัญชลา ไม่มีแล้วนะเหลือแต่สาถ้า แ, แขกก็จะไปซักผ้าเขาก็ขุดสอยลงไปจะมีน้ำออกมาเขาก็เห็นที่พอหาได้ไปวางได้ใกล้ใกลบอกเขาซักผ้าก็มันซักมันเรานะจับช่วยกันทั้งคัวทั้งเนี่ยจุ่มเือนบอก จับมาตีใส่ก้อนเน้ต่ำเราไม่มีผงเสืาา้าผ้ามันเราวจับน้องไปจับมาตีใส่ก้อนเน้นต่ำต่ำจับไปตีตใส่ก้อนเน้นขึ้นเหยียบขึ้นย่อมผ้าเขามันใหญ่มัน้องไม่อดผ้า ต, ตากแล้วก็ซักแล้วก็พื้เตีย ก, กับขี้ดินดินสายในรันชลาเลยแต่ยไปนํำท้องนะ เรามัแห้งกับไปสั่นห ร, รอคัออกมาไม่มีไม่ไผ่ไมมีอะไรเป็นเพียกผ้ามาตากกับดินไปเลยอนี่คือคือคือก็เป็นอยางนัน้นพระองค์นั่นเป็นเจ้าพราชายยามาบอกให้คนสอนอากาหยาลพจนานะมีไหมมีกายไหมมีสติไหมอันเดียวกันไม่ใช่กับสัตว์ไม่ใช่พระราชา มันใช่ชาติภูมิใดๆเลย่บอกให้เรามีสติเห็นกายเนี่ยก่อกายเหมืนเราเรียนหนังสือกว่าจะอ่านได้เขียนออกก็เรียนกไก่อีบีซีดีไปนี่ยชีวิตของเราจบตรงนี้เนาะเหมือนกันให้อย่ายไปทางเกิดให้กลับมามีสติเห็นกายแค่นี้ไม่มากให้ พ, ะ ล, พะลุงพลังเห็นเบทจามีทุกคนมันจบวันทุก มันร้อมันหนานั่งสร้างจะงหวะมันก็เห็นแน่นอนเวทนามันแสดงเพราะมันตกอยู่ในอย่างนี้สามมันลักษณะมันไม่เที่ยงนั่งใหม่ๆก็สบายเอออย่างนี้ดีเอาไปมามันไม่ใช่ดีการถ้านั่งก็เจ่เมื่อเหมือนเจ่มันก็เจ็บปวดขาปวดฉนมันก็ตายถ้านี่เปลี่ยนไปเกิดท่าใหม่เกิดดับของรูปนาม นามกับรูปก็ไปด้วยกันถ้าไม่รู้จากรูปจากนามเห็นกายเห็นใจเมื่อกายมันเจ็บใจก็เจ็บเมื่อกายมันทุกข์ใจก็ทุกข์แล้ก็ช่วยกันเองความทุกข์แบบนั้นอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณมันก็รู้จักแก้ไขไม่ใช่ให้ใครบอกเอ้อไม่เพี้ยนเด้อจะนั่งโดนเราเปลี่ยนหน่ะเด้อเออเพลี่ยนยุติร้องพอ่อกันไม่เคยทำแบบนี้ แล้วก็เพี่ยนเองใครก็เหมือนกันนะม่ม ใ, ใครจะบอกมันเป็นสัญชาตญาณแต่ความทุกข์ที่ความรู้อ น, นั้นนะ่ะมันไปเรื่องกันนะไม่ใช่เห็นมันเป็นไปอย่างไรนะเราจึงมาเห็นเวทนาศักษาเวทนาให้ทำหนังนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปสอนให้หนีอะไเท็กโนโลยี มีผมมีเบามีเก้าอี้นั่งมันก็นั่งไม่ได้หรอกอ่ามันก็นั่งไม่ได้บางที่เบาเขาเอามาขายเบาหนึ่งเป็นหมื่นๆเก้าอีน้นั่งทำงา น, นอย่างหลงก็มีเก้าอี้คนหมูเชื่อเป็นหมื่นนะเก้าอี้นั่งทำงานโวนเลยวิ่งไปเลยจะผักไปมันพาวิ่งไปเลยนะ <c oughs> อ่าผลักให้นั่งแบบนั้นก็นั่งได้นะ มันก็นั่งไม่ได้หรอกราต้องเปลี่ยนอย่างเรื่อยนั่งยืนเดินนั่งนอนมันก็ใช้อิริบบทเนี่ยให้เกิดสติปัญญาอย่าให้อิริบบทใช้ให้เกิดความหลงไปหลงกับความยืนไปหลงกับความนั่งไปหลงกับความนอนบัณฑ์ก็ไม่ใช่ให้รู้เราจึงมีสิทธิที่จะเกี่ยวกับความหลงตรงนี้ให้สําเร็จ เห็นเวทนาสักว่าเวทนานะเห็นจิตเขาก็มีจริงๆรละจิตเนี่ยทุกคนก็ต้องเห็นว่ามันคิดจิต ค, คือมันคิดลมต่างต่างมา ย, ย่อมและคู่กับจิตความพอใจความไม่พอใจทําให้เกิดขึ้นกับจิตมีสติสัมสัญญะความความพอใจและความไม่พอใจความพอใจและความไม่พอใจไม่เป็นรุดของโลก สัตว์โลกย่อมติดอยู่กับลถนี้เราจึงถอนออกมาให้มีสติสำชัญญะถอนความบอใจและความไม่พอใจออกมาจากโลกได้มีสติเลื่อยไปเอาไว้มาความไม่มีค่าความพอใจและความไม่พอใจมันก็เป็นรถของโลกรถของโลกแบบนี้มันก็ต่างกัน ได้เคยมาเป็นเราไหม่มันเป็นอันหนึ่งมีสติสัมจะเห็นอย่างนี้นี่หลักกรรมฐานอย่าลืมอยู่ที่ไหนก็อยู่กับเรานั่นแหะเรากาลังเป็นพระโยคาวจรตอนนี้เป็นผู้กําลังเดินทางจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เห็นกายเห็นเวชนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นรูปเรรมเห็นนามธรรมเห็น ธรรมาชาติของรูปเป็นธรรมาชาติของนามเห็นอาการของรูปเป็นอาการของนามอันรูปอนันนามตกอยู่ในสามัลักษณะคือเหมือนกันความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ได้ฉลาดจากเสี้ยวนี้ไปแต่ก่อนหลงโความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความทุกข์เป็นทุกความไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์น้ำตาล้นตาไหลเพราะว่ามไม่เที่ยง เป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนพักผาพากของเลิกของชอบใจบาปฐานเฉีงใดไม่ได้เช่นนั้นว่ามไม่สบายกายเขามไม่สบายใจทำให้เราเป็นทุกข์บ่นี่มันเป็นนิพพานได้มันร้อนมันมีความเย็นในความเป็นทุกข์มันไม่เป็นทุกข์เลยเนี่ยเพราะบรรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเข้าหน้าไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นตัวศาสนาจเจริญรุ่งเรือง เปลี่ยนแปลงไปตอนสิ่งที่เคยหลงไม่หลงสิ่งที่เคยทุกข์ไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเนี่ยแล้ววิปัชนาะมีสินมีสมาธิมีปัญญาทำลายกิเลสลงได้ความโลภความโกรธความหลงล ง, งได้แต่ก่อนเราอดเอาเวลามันโกรธเรามันโลภเราก็ ว, วิ่งตามมันแบบ น, นี้ไม่ใช่ไปวิง่งไม่ทํากับมันอย่างไรก็ทําถูกเหตุมันอยู่ที่มันก็ ก็เหี่ยวเองเหมือนเราตัดต้นไม้ต้นไม้มันไม่เหมือนเราปิดต้นไม้ต้นไม้ตอนนี้มันมีใบไปปิดใบไปเล้วแต่มันมีรากอยู่ก็โค่นมนเลยมันก็เหี่ยวแห้แงไปแล้วของโกรธของโลภของหลงจิตติตัศนามันก็ไม่ใช่มันเกิดลอยมีเหตุ ทุกกนะทุกเป็นผลตอนหาเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมักเป็นเหตุอยากได้นิโรธอยากได้ความหลดพ้นแต่มีแต่ความอยากแต่ไม่เคยทํามักให้เกิดมักต้องให้เจริญนิโรธต้องทําให้แจ้ง ทุกกำหนดรู้ต้นหาตรงละมันหลงลูกละแล้วมันโกรธรู้ละแล้วต้นหาขึ้นละทุกกำหนดรู้ทุกของอย่างกนละเนี่ยคือทำเหตุอันเนี้เราจึงมาังทำตัว น, นี้มันก็คุมไปต้นหนะไมนใช่กลัวความทุกข์เพาทำเหตุพันธีแล้ว อย่างนี้การปฏิบัติธรรมอย่าทิ้งหลักมันมีหลักอยู่ทุกคนก็มีหลักอยู่แล้วมีกายมีใจเป็นรูปธรรมนามธรรมมีสติมีความรู้คู่กับความหลงทำพับลงไปเจอกันทันทีจะเอกันนันทีนี่ไหมความหลงเวลาเรามีความรู้เห็นความหลงไหมเห็นกันทุกคนนั่นแหละไม่หลงทางตาก็หลงทางหูจมูกดิ้นกายใจหลงทางกาย ว่าหลงที่ไหนะให้ประโยชน์มันลูกขึ้นมาสอนอย่างเนี้ยสอนตัวเองให้เป็นอย่างเนี้ยเพอมันหลงลูกสึกตัวอบันมีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกอัวเอาไปเปลี่ยนความรู้สึกตัวหลักก็อโยชน์ที่ขยันลูกอย่างนี้ไว้เหมือ น, นเราขยันทํางานขยันไปก่อนเอาความขยันไว้ก่อนจะจนจะมีช่างหัวมันเหมือนคนที่มาทาบุญ เมื่อวันที่สิบเกดเขาซื้อรถให้ลพ่อคนหนึง่งเขาก็มีฐานะมีส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้กันหลายหลายอย่างจะล่นจะรวยช่างหัวมันแต่ว่าขยันไปก่อนบางคนก็บอกว่าพ่อแล้วมีลูกชายคนเดียวอยู่ยังไงก็ไม่อดมาอยากเขาก็ทำโน่นทำนี้เขาก็บอก รวยเจ้าขวามันรวยเจ้าขวามันแต่ขยันไปอย่างนี้แหละทำงานตปอย่างนี้ะนี่คือไม่ต้องอยากรวยขยันทําให้ถูกต้องขยันหาขยันรักษารู้จักใช้มีพัญญาเป็นคู่วัวเทียมเกียนจะเป็นแร่งข้ามมาคาข้ามหนี้ เขาก็ร่วมมากันสร้างงานขึ้มาคิดสองคนนั่งสมาธิคิดทำอะไรทําลูกศรนทำลูกศรน่นนอะอย่างในรถจนทําลูกศรอย่างในมอเตอรคิดเขาก็มีสมาธิคิดมีห้องคิดเขาให้หลงตาไปดูห้องคิดของเขาสงบมีห้องแอร์เย็นคิดอะไร ทำแล้วทำาีกทำแลก็ทำสำเร็จขยันไปก่อนรวยช่างหัวมันคิดทำโร ง, งงานทำยางในรถมอชัยทำยางในรถโยนต์ก็ามาใช้ของเขาทดลองดูก่อนเขาใช้มาแล้วก็ใช้ได้ออาไปเป็นสินค้าขายเฉเพราะยางเประรถเนี่ยลองไปนะยางเป่ารถเนี่ย ก็คิดขึ้นเองที่แรกก็ทากาวต่อมาก็คนติดกาวเยอะก็มาทำยางปะรถรถจนที่เรามีไปปะเราขึดไปหน่อยเฮ็เนี่ยมันก็ติดเลยเนี่ยเป็นของเขาคนเดียวในในในประเทศไทยเขาผิดก็ขยันคิดไปเนี่ยขยันสร้างสรรค์นเนี่ยรวยช่างมาวันคิดไปเรื่อยืไป เขาไม่คิดหรอกูจะรวยกูจะรวยเขาไม่คิดชาวนาเราบางทีก็นกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานมันก็ใช่มันดีถ้าเป็นชาวนาอาชีพนะถ้าชาวนาสมัยเดิมกูจะรวยกูจะขาดทุนกูจะได้กําไรก็คิดแบบนั้นมันก็สิ้นเปืองพลังงานไป แต่เมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดเรื่องนั้นหรอกเขาทําให้มันดีปริญญ า, าหวานข้าปิดน้ํานีเราทําความเพียรก็เหมือนกันอย่าม่เหตุเอาผลมาประกอบนะนี่ต่ความเพียรทดลองไปนะใจดีประกอบก็ด้วยเหนื่อยช่างหัวมันเหงื่อไหลขายยะจช่าหมืนอนเตืบจูงร้อนแดดการเลิกช่างหัวมันนีรู้สึกตัวเลยไป เก็ความรู้มีความรู้ไปเรื่อยๆไปเนะ่ยทุกคนทำอย่างนี้ไม่แตกต่างกันแต่เป็นหนุ่มสาวอย่างนี้ก็จะเป็นคนแก่อย่างนี้อันเดียวกันมีเสมอกันารยกกัดก็เจ็บเหมือนกันใช่ไหมไมขี้เจ็บไหมเจ็บเก็บเหมือนกันไม่มีวิเศษกว่ากันหรอกนะนี่ก็วันนี้ก็เป็นวัน <c oughs> ที่เรานัดมา ทำวัดตอนเช้าหลวงตาก็พูดไม่ใช่เอาความรู้มาสอนไม่ใช่สอนนะท่านรู้ความรู้ท่านรู้มากกว่าหลวงตาแล้วแต่เอาการกระทาแบบนี้แบบนี้ตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าทําอย่างนี้กายานุปจนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นธรรม ก็มีทั้งกุศลและอกุศลทำดำทำขาวทำดำก็คือความหลงทำขาวคือความรู้อันนี้ก็มีอยู่กับทุกคนถ้าเอาเหตุแล้วผลเอาความรู้ไม่จบไม่สิน้นมันเนิ่นช้าเราจึงเอาการทำนีบุกเบิกไป มองดงมองป่าเป็นทุ่งไปเลยเจไปสงสารกลางดงกวาทงนั่นบ่ละขีงง่ข้านแล้วกลางบ้านกนวารง <c oughs> อะไรก็ยากกันหมดเลย <c oughs> ถ้าเจไปสงจะสร้างอะไลงไปดงอย่างนี้เป็นทุ่งไปเลยภาษาไรนาสีานะ่สิบไร่เนี่ยรามองนี่แป๊บเดียวเลย เราชำนาญในการทำนาแต่บางคนพอตองลงไปเนี่ยนาโอ้ยมันมากขนาดนี้จะทำใบเรือเราสองคนได้เนี่ยโอ้ยเหนื่อยไปแล้ว่ะไปคิดแบบนานทำไปเรื่อยไปฮะการนำคว่าเปลี่ยนมันจะงอ ก, กงขึ้นมาความหลงเกิดขึ้นแล้วขึ้นีก ส, สนุกส น, นุกขนาดเก่งตรงนั้นมันหลงที่ลู่ยิบบอความยากม่าเป็นความสะดวก ถ้ามาหลงเทหน้าโบดหน้าเบึง้งเอ้ยทำยากเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใชนักทำงาไม่ใชนักปฏิบัตินะมาสมควรเจลจาการเพาคอมกัน